3. โอวาดวัค 5. จีวรทานสิกขาบทว่าด้วยการถวายจีวรเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาตไปตามถนนสายหนึ่งภิกษุนีรูปหนึ่งก็เที่ยวบินธบาตไปตามถนนสายเดียวกันนั้น ทีนั้นภิกษุได้กล่าวกับภิกษุณีรูปนั้นดังนี้ว่าไปเถิดน้องหญิงที่โน้นมีผู้ถวายภิกษาภิกษุณีก็กล่าวอย่างนี้ว่าไปเถิดพระคุณเจ้าที่โน้นมีผู้ถวายภิกษาภิกษุและภิกษุณีทั้งสองรูปนั้นจึงเป็นเพื่อนกันเพราะพบกันอยู่นเนืองต่อมาภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวรกําลังแจกจีวรของสงภิกษุณีรูปนั้นไปรับโอวาทแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นถึงที่อยู่ ครั้งถึงแล้วได้ไหว้ภิกษุรูปนั้นแล้วยืนหน้าที่สมควรภิกษุผู้เป็นเพื่อนรูปนั้นได้กล่าวกับภิกษุณีรูปนั้นผู้ยืนหน้าที่สมควรว่าน้องหญิงนี้จีวรส่วนแบ่งของเราเธอจะรับหรือไม่ภิกษุณีตอบว่ารับเจ้าค่าเพราะดิฉันมีจีวรเก่าที่นั้นภิกษุนั้นจึงได้ให้จีวรแก่ภิกษุณีรูปนั้นส่วนตนเองก็ยังคงใช้จีวรเก่าภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่า ท่านบัดนี้ท่านจงตัดเย็บจีวรของท่านลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชไนภิกษุจึงให้จีวรแก่ภิกษุณีเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ